ขอถวายความเารพพระมอาเทราุเทราทุกรูปขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนที่วันนี้มารวมตัวกันอยู่ในหอประชุมอย่างุนหาฝาขั่งถึงแม้ว่าเราจะมากันตั้งแต่เช้าตรู่และนี่ก็ล่วงเลยมากว่าครึ่งข้อนหวัน แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงอยู่กันอย่างอุนหนนานฝ่าค้ังเช่นเดิมประเด็นที่ธรรมาภาพได้รับอารัสนาให้ประกากาถาในวันนี้ก็คือเราเป็นของของมันยมเคยได้ยินอะไรอย่างนี้ไหมเราเป็นของของมันเมื่อได้อ่านหัวงพอธรรมบันแันวันนี้แล้วธรรมาก็คิด คิดว่าคนตั้งหัวข้อนี่ต้องเป็นผู้เจ่ศึกษาธรรมะขั้นลึกมาทีเดียวนะลึกจากนาจรมาต้องคิดอยู่นานว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าในชีวิตของเราเราก็ได้ยินแต่ว่าอะไรก็เป็นของของเราใช่ไหมพอมันได้ยินคาว่าเราเป็นของของมันม น, น่าเิื่อแล้วมันไม่เป็นอะไรถึงมาเป็นของของเรา นยึด เ, เราไปเป็นเจ้าของเพราะแต่ไหนแต่ไรความคุ้นชินของเราก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของของเราโยมเคยได้ยินเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าของของใครของใครก็ห่วงไหมเคยได้ยินไหมนะเขาบอกว่าของของใครของใครก็ห่วงของใครใคร ก็ต้องห่วงห่วงใ่รักใครถ่ถนอมใครจะทีของใครใครยอมถึงโจนอดออมไม่ยอมขายให้ใครทันหรือเปล่าเกิดทันเพงนี้อายุสามสิบขึ้นหรืออยากฟังฉบับเต็มหรือเอาจะหน่อยไหม ถ้าอยากฟังขอจึงสาธุหน่อยได้<า>จะจัดให้่<า>อะลองดูจะบักเต็มไหมถ้าเจ้าหน้าที่มีเพลงเย่งนี้พระอาจารย์ขอเจริญพรเชิญเปิดให้ฟังสักนิดนหนึ่งนะ รักจริงถึงฟ so ูงดวงใจจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใครแม้ใครชิงแย่งไปฉันยองตายเออเพลงนี้ก็บอกว่าย uh> uh> uh uh nee> uh> uh ังไงยังร uh> uh ู uh> ้ไหม ฟังกันทันไม่เคยถ้าไม่ทนันนะพระอาจารย์จะย้ำนะต้นตำรับตัวเนี้ยคุณชายถนักศรีเขาร้องไว้จากนั้นคุณออส ก, กันดีเขาร้องไว้ล่าสุดก็ที่เบิร์ตธงชัยไม่กกินใตเขาร้องไว้แล้วท่านบอกว่าเชิระฟเมทีเอามาขายายความฟังให้ดีๆนะชาวโลกคิดยังไงกับ สรรพสิ่งที่เราถือครองชาวโลกคิดอย่างนี้คิดกันว่าของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใครถนอมใครจะจริงของใครใครยอมถึงจนอดออมไม่ยอมขายให้ใครรักของใครของใครก็ห่วง รักใครใครก็ต้องห่วงห่วงคนรักดังดวงใจใครจะยอมยกไปให้ใครรักใครก็ใครต่างห่วงไว้ครอบครองนึกเป็นทํานองในทยนะเธอเป็นของรักของห่วงที่ห่วงอะไรเป็นดวงใจฉันจึงห่วงใยไฝ่ปอง กายและใจของเราอ่างเป็นเจ้าของหากไม่ครอบครองเดี่ยวของรักต้องหลุดลอยไปรักจริงถึงห่วงไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วงดวงใจจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใครแม้นใครชิงย่งไปฉันยอมตายเ อ, อ่ย การของเลนี้อยู่ตรงไหนมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักพ่อของเราแม่ของเราลูกของเราเมียของเราสามีของเราบ้านของเรารถของเรา ชื่อเสียงของเราเงินของเราอำนาจของเราตำแหน่งของเราหรือมาในห้องประชุมก่อนจะลุกไปห้องน้ําำไปซิเพื่นอนอยู่กับอีให้พี่ด้วยมานั่งครึ่งวันคิดว่าเป็นเก้าอี้ของเราเห็นไหมเนี่ยนี่คือลักษณะของชาวโลกไปอยู่ใกล้อะไร อดที่จะนึกไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเราแต่ในทางพุทธศาสนาท่านว่าอย่างนั้นไหมท่านว่าไม่มีอะไรเป็นของเราสัพสิ่งคือของใช้โปรดอยากเข้าใจว่าเป็นของฉันครั้งหนึ่งมีคนไปกราบทูนถามพระพุทธองค์ว่าหากจะให้ทรเสรุต แก่ฑพุทธศาสตร์ด้วยพระพุทธวจนะสั้นๆพระมุดงจะทรงสรุปว่าไรรพระองค์ท่านตรัสต่อบว่าได้สิฟังให้ดีนะคำสอนของฉันถ้าจะเอาสั้นๆก็คือสัพเพธรรมานานังอภินิเวสยะสัพเพธรรมานานังอภินิเวสาย ะ, รรมมาาายะแปลว่า ทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมัน่นคำว่าทำทั้งหลายทั้งปวงก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราอย่าไปยึดติดถือมัน่นวันนี้หลายคนพาสามีมาพาภรรยามาเดี๋ยวขากลับก็ชิ้งเลยเนี่ยฟังเทพเกิดสามีหันไปดันภรรยาเธอฉันไปแล้วนะฉันไม่ยึดติด นะฝึกไว้บ้างนนอย่าไปยึดติดถือมั่นสเปย์ธมาลังอภิณเวสัยะก็คือว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอนุคลไม่ควรยึดติดถือมั่นแก่นพุทธศาสนาตรงนี้แต่ในทางปฏิบัติเรายึดติดถือมั่นกันหรือเปล่าดูว่าเราปล่อยลงลงเป็นชีวิตนี้ฉันไม่เอาอะไรก็คใครฉันสบายจิตใส คนที่พูดอย่างนี้ตัวดีเลยล่ะครั้งหนึ่งอาจมาจัดคอรส์รสลิมัสลากรรมฐานสี่วันห้าคืนนีนักธุรกิจคนหนึ่งมาอยู่กับอาาให้โซมากเลยอยู่กับอาจารสี่วันห้าคืนมาพูดกับอามาพระอานายยมอยู่สี่วันห้าคืนนะโอ้โหมันมันเย็นลอยดิ้เยะเลยทีเดียจิตเนี่ยใส้หนังแก้วผลึก อาตมาก็ น, นึกในใจว่ามันจะจริงรือโยมเนี่ยสบายไม่ยึดติดถือมันอะไรละ่ะโลดโกรธหลงบังเบาไปเยอะพอเราปิดงานสามโมงสี่โมงเป็นเวลาที่สามีจะต้องมาครับสี่โมงสามียังไม่มาคนอื่นเดินกลับกันขึ้นรถกันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเธอเดินเป็นเสือติดจันเลยสี่โมงครึ่งสามีขับรถมาถึง พวกนั้นอาตมาก็ให้โยมร่ำลาอยู่กลางสง น, นมามสักพักหนึ่งสี่โมงครึโยมสามีเดินมาคุณนายเดินจำเอาไปหาสามีเอามือเท้าเสียงทำไมเพิ่งมารู้ใช่ไหมคอสนิ่ปศนากปิดกี่โมงรู้ใช่ไหมมันได้ยินมาถึงอาตมา ก็ไม่อยากจะตอนเรื่องชาวบ้านอันดมายืนหลักตาฟังฟังคนที่จิตใสดังแก้วปลกจะสัดสามีก็จ ะ, จะยังนี่คือตัวอย่างว่ามันไว้ใจไม่ได้เนอะเราบอกว่าเราปล่อยแล้วระวางแล้วเราเย็นแล้วแต่ในพอร์สอภิปรามันทำได้ใช่ไหม ออกสู่โลกประจําวันแค่ชั่วโมงเดียวเป็นยังไงหางโคสามีมาช้าไปึ่นชั่วโมงอัดสามีก็เเล็กเลยนี่แหละมนุษย์จํานวนมากรู้ท้งรู้ว่าพุทธธรรมกาสอนเป็นอย่างไรแต่บางทีในทางปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติกันไม่ค่อยได้และนั่นจึงเป็นเหตุให้เรายังคงไม่ยอมอยาขาดจากความทุกข์ มนุษย์ทั่วท้งโลกเลยนะทำวิธีมงคลสมรส ก, กับความทุกข์แต่งแล้วไม่ยอมเลิกอ่ะนะทะเลาะกันน้ำขังไม่ท่วนทุกข์แทบล้มประดาตายน้ำหมูน้ำตาไหลบางคนคิดในกระทั่งจะฆ่าตัวตายเพื่ออะไรเพื่อหนีความทุกข์แต่ถึงกระนั้นชีวิตก็ไม่หมดทุกข์นี่เรียกว่ามงคลสมรสกับความทุกข์แล้วไม่รู้วิธีที่จะอย่าขาจดจากความทุกข์ ดังนั้นถ้าเราอยากจะเชิญความทุกข์ออกจากชีวิตก็ต้องมาทำความเข้าใจสัพเพธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะอาตมาภาพเคยเขียนเรื่องสั้นเอาไว้เรื่องหนึ่งจากชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เคยไปที่สวนโมกขป า, ารามของท่านพุทธทาสพิฆูตอนที่เธอไปนั้นเธออายุแค่ สิบเก้าพิ่งอยู่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจัดไปผู้หญิงคนนี้ตื่นแต่ตีสี่ไปทำวัดสวดมนต์ท่านพุทธท่านนั่งอยู่ข้างหน้าฟังให้ดีๆนะไปกับเพื่อนี่สิบคนนะท่านพุทธท่านนำทำวัดสวดมนต์นักศึกษาหญิงคนนี้ก็คิดว่าทำไมฉันต้องตื่นแต่ตีสีด้วย แล้วทำไมต้องมานั่งสวดมนต์ที่นี่ด้วยพออยู่บินมาเกาะก็จบพุโอ้ท่านพุทธทาสาหาันมามองทำไม่รู้ไมช่ชีนั่งถากจากท่านเลยแล้ะนะพ อ, อาธรรมสวดมนต์เสร็จท่านก็แสดงธรรมพวกหนูรู้ไหมแกนพุทธศาสตร์นี่คือสเพ ธ, ธรร ม, มานาลังอภิณิเวสายะ ใหญ่คนนี้นั่งง่วงหลับให้ท่านดูตอนดังคืนเนี่ยก็เข้าห้องพักที่เรือนนอนที่สวนลูกเอาผ้าห่มของเพื่อนบัางของตัวเองบ้างมาพันกายแล้วก็เดินคุยลายกันยึดเอาเรือนนอนที่สวนลูกเป็นเวทีแคทบ็กเดินแฟชั่นกัน ยังไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่กับคนของโลกนะและทำมาที่ท่านแสดงลึกถึงขนาดไหนฮาวันนั้นท่านพุทธทาสอุตสาแสดงเรื่องสเปเทธรรมานารังอภิเนวิสัยยะแต่ยายนี่หลับคาที่จดมาได้ประโยคเดียวคือสเพทธรรมานารังอภิเนวิสัยะแล้วไม่เคยเข้าใจเลยเธอเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนจะกลับเมื่อเวลาท่านพุทธทาสท่านบอกว่า หนูๆทั้งหลายถ้าหนูจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อมาสวนโมกหลวงพ่อขอให้จำไว้สักประโยคนึงสเพธรรมานาลังอภิณิเวสายะทำทั้งหลายทั้งพวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมันเอาประโยคเดียวก็พอแล้วสักวันหนึ่งหนูจะเข้าใจผ่านไปนานมาก เกือบยี่สิบปีคนคนนี้ไม่เคยเข้าใจแต่เป็นคติธรรมเพียงอย่างเดียวซึ่งก้องอยู่ในสนประสาทของเธออยู่มาวันหนึ่งเพื่อนโทรศัพท์มาหาเธอรู้ไหมเพื่อนฉันอ่ะไปเจอสามีเธอเดินอยู่ที่ฮั่งแฮรอ์ที่ลอนดนอนกับคิดสา ทำไมมันจคกนิกเลยนี่จืดแล้วบ้างถ้ามีมเชื่อฉันให้คนเสือกดูติเรื่องอะไรฉันจะสือแล้วก็วางหัโทรศัพท์ไปพอวบางป๊บทเผหานักสืดเลยส่งนักสือไปเสือเสือมาเสือไปก็รู้วสามีตัวเองมีติ๊กกับเลขาสาซึ่งก็ไม่ใจใครที่ไหนอะ ก็เป็นคนที่เธอเนี่ยแหละผลดันให้มาช่วยสามีในฐานะลูกหลานของคนรู้จักกันแต่ช่วยไปช่วยมาสามีก็ติดนดต้องใจไปไหนก็เลยไปดัดกระเตรกันไปทั่วโลกพราะสามีเป็นนักธุรกิจเธอก็เย็นอกเย็นใจอย่างที่บางไทยในที่สุดนักเืพกลับมาพร้อมรูปเป็นตั้งๆเอามาให้เธอดูนาทีนั้นเธอแค้นสุดๆแค้นมากแค้นถึงขั้นว่าไปซื้อปืนและไปฝึกยิงปืน กะว่าขอยิงคราวเดียวให้มันมันตักตรงขั้วหัวใจฝึกยิงปืนจนเชี่ยวชาญถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งเมื่อมีโอกาสและทุกข์ถึงที่สุดลูกตื่นขึ้นมาในค่ำคืนหนึ่งรู้ว่าแม่กำลังร้องไห้ในความเมื่อจึงถามแม่ว่าแม่ร้องไห้มานานหรือยังแม่บอกว่าแม่ร้องทุกคืน ทำไมหนูไม่รู้เลยละ่ะแม่ร้องตอนที่หนูหลับไปแท้ทำไมแม่ไม่ร้องต่อหน้าหนูแม่บอกว่าลกูกแม่เจ็บคนเดียวก็พอแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกของแม่มาเห็นแม่เจ็บแล้วลูกต้องเจ็บไปอีกคนลูลกได้เคยเรียนวิชาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มาลูกก็เลยบอกว่าแม่ เรื่นี้มันเกิดมานานหรื อ, อยังนานมากแล้ว ล, ล่ะูกนานขนาดนี้แม่ก็ยังทุกใช่หล่าแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าสเพธธรรมานานังอภินิเวสายะนะอะไรเนี่ยลูกสเพธธรรมานานังอภินิเวสายแต่ว่าอะไรทำทั้งหลายทั้งพวกอันบุคคลไม่ควรยุบกิดถือมั่นกั แม่เคยได้ยินประโยคนี้ไหมแม่ก็วิ่งย้อนอดีตไปเลยเห็นภาพตัวเองนั่งหลับอยู่หน้าท่านพุทธภาพและนาทีนั้นเธอนั่งน้ำตาไหลเลยเออนี่ไงเพชรในหัวคังคบที่ท่านบอกแม่ไว้ตั้งแต่เมื่อ20ปีมาแล้วว่าวันหนึ่งหนูจะได้ใช้ ทำทุกกินแน่นในหัว อ, อกนะพอมาปัทาเข้ากับคาถาสเพธมานารังทินิเวสาัยาคือทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรจะติดถือมันเนื่องจากเธอทุกข์มากเจ็บมากพอได้พศธรรมะปั๊บก็จึงกระเจามากเพราะอะไรไม่เกิดขึ้นกับตัวของเธอเองนาทีนั้นเธอตัวชาไปทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสว่างสวในคาว่าสเพธมานารังทินิเวสายา และด้วยคำคำนี้เองผู้หญิงคนนี้สบายใจตั้งแต่นั้นมากลับไปทํางานได้ว่าหนึ่งเมื่อมีโอกาสอบรมพรนัก ง, งานรุ่นน้องเธอจึงเขียนคาถานี้แจกพนักงานทั้งหลายทั้งปวงบันดาลีเอาให้พนัก ง, งานสาวๆทั้งหลายและเธอก็บอกว่าเนี่ยของขวัญที่พี่จะให้ทุกคนเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตน้องผู้หญิงคนหนึ่งเลิกอราทำที่ ภาษาจังด้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับพวกเรายังไงอะสเปรตมานาลังกับพี่นิเวศสายด้านเนี่ยคุณนายก็เลยบอกว่าน้องน้องจำให้ดีคำคำนี้ยมันช่วยชีวิตพี่มาแล้วพี่เกือบเป็นฆาตกรแล้วนะแต่พี่รอดมาได้เพราะคาถานี่ะแล้วสักวันหนึ่งน้องจำเข้าใจ ไม่รู้ป่ะไม่น้องคนนั้นเข้าใจหรือยังสภเวชมานาลังอี่นิเวสายะก็คือว่าใดใดในโลกอันบุคคลไม่ควรยึดกิรถึงมั่นนี้เป็นหลักธรรมคำสอนที่ท่านพุทธทาสที่ขู่และจะเน้นมากใครไปที่สนมอกจะเห็นคำนี้จะได้ยินคำนี้ใครอ่านหนังสือท่านพุทธทาสจะต้องพบกับคำคานี้ท่านเน้นเหลือเกิน ไม่ให้เราไปยึดติดถือมั่นกับสรรพสิ่งบรรดาหนึ่งทั้งหมดในโลกท่านเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งของเป็นของฉันอัตมาภาพมาพูดใหม่ในตำนวนของอัตมาภาพว่าสรรพสิ่งคือของใช้โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นของฉัน ถ้าเรายึดติดถือมั่นว่าอะไรเป็นของฉันเมื่อไหรนะ่นั้นความทุกข์จะถือกาเ น, นิดขึ้นมา ท, าทันทีพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความยึดติดถือมั่นเป็นมารดาของความทุกข์ถ้ามีมารดาคือความยึดติดถือมั่นเมื่อไหร่เขาจะคลอดลูกออกมาชื่อความทุกข์ พวกเราอยากจะรู้ว่าชีวิตนี้มีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ก็ลองถามเตตัวเองว่าเรายึดติดถือมั่นไหมยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกข์แค่นั้นเอง ด, ดังนั้นพระพุทธองค์จึงจะสรุปเอาไว้ในธรรมจกกักรตวรรษ่นึสูวนว่าสังกิตเตยน้ปัญจุปาทานขันธาแปลว่ากล่าวโดยสรุปความยึดติดถือมั่นในขันธ์ห้าเป็นตัวความทุกข์ พระพุทธองค์สอนอย่างนี้ท่านพุทธทาสจึงนำมาเน้นย้ําแต่คนจำนวนมากที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพุทธทาสก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจทั้งทั้งที่ท่านใช้ชีวิตให้เราดูว่าท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่ไม่ยิ้ดติดเสีมัน่นนาทีสุดท้ายหรือในวารสุดท้ายก่อนที่ท่านพุทธทาสจะวางวายทำลายขันท่านตื่นมาเตะสีบอกพระอุปถาคือท่านสิงห์ทอง สิงห์ทองเราจะตายแล้วตีสี่นั้ตื่นขึ้นมานั่งเขียนบันทึกแล้วก็บอกท่านสิงห์ทองที่นอนอยู่นข้างเตียงสิงห์ทองเราจะตายแล้วพระอุป ถ, ถาดวังเงียตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาตีสี่ตีสี่ลุกขึ้นมาเขียนหนังสืออายุแปดสิบกว่ามันก็สมควรจะตาย เลอกาคิดในใจ <c oughs> นี่ท่านเล่าเองนะท่านเล่าเองเราแค่จะมาฟังสักพักหนึง่งนั้นก็บอกว่าสิงห์ทองเราจะตายแล้วเอากุญแจออกจากกระเป๋าเดาท่ทีเราไม่อยากตายขาดคุณแจเสื้อของพระนี่เขาเรียกอังสะ ในอังศาก็จะมีกระเป๋ามือกระเป๋าเสื้อทํำไมเข้าใจวันหลังมันขอดูท่นจะปิ้งให้ดูท่านพุทธะก็จะมีกระเป๋าห้องของท่านอยู่สิงห์ทองเอาคุญแจออกจากกระเป๋าเราไม่อยากตายหากุญแจท่านสิงห์ทองก็เป็นล้วงกระเป๋าท่านเอากุญแจออกมาวาง หลังจากนั้นท่านก็บอกสิงทองลิ้นเราแข็งแล้วจะทัานก็นั่งดูจนกระทัง่งดับตายไป ย, ยังสงบแกนอยู่ตรงไห น, นแกนอยู่ตรงที่ว่าเอากุญแจออกจากกระเป๋าของเราเราจะไม่ตายขาดกุญแจ กุญแจคือสั ญ, ญลักษณ์ของความยึดติดถือมั่นใช่ไหมนั่งอยู่ในห้องเนี้ยถ้าเกิดอตาตมภาพจะขออนอุญาตสำรวจว่าใครมีกุญแจเนี่ยได้ไหมในใครคเข้ากุญแจมาโดยยกมือดิชูนถ้งสูงแล้วจเยดดูดิเนีย่ย ถ้าตมาจะขอให้วางกุญแจไว้ในห้องนี้แล้วกลับตัวเปล่าจะเอาไหมจะยอมไหมเข้าบ้านไม่ได้เลยนี่มนุษย์ทุกคนน่ะมีเหตุให้ต้องยึดติถือมัน่นนะกุญแจนี่แหละคือเครื่องมือแห่งความจึดติถือมัน่นไถ่เข้าไปในบ้านเจอแต่สิ่งที่กอดเอาไว้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเลย ที่กองอยู่ในบ้านทั้งหมดนั้นอ่ะถ้าอย่ากปหยิบใครอย่าไปย้ายนะรู้หมดใช่ไหมซื้อของจากห้างมากองบนโน่นโน้นนี่ล้วไปทำธุระสองสาวันกลับมาลูกมาย้ายที่แม่กลับเข้ามาใครหยิบของอยู่ฉันทั้งทั้งที่มันอยู่อย่างนั้นเป็นอาทิตย์แม่ก็ไม่เคยแกะมาใช้เลยแต่ถ้าใครย้ายที่เดือดดาลเห่นไหม เราเข้าไปยึดเรียบร้อยแล้วและอาการเข้าไปยึดอย่างนี้นะไม่เจอเรื่องเล็กๆนะสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้ารูปหนึ่งได้รับพระไตรจีวรทอมือจากพี่สาวท่านพี่สาวทอไตรจีวรเสร็จแล้วนอมเปิดถวายพระน้องชายถ้าน้องชายรับมาแล้วมีอกดีใจคืนนั้นเอาจีวรมานอนรูปรูปคําำ พวงนี้จะนุ่งจะห่มจีวรชุดเี็ไปบิณฑบาตผูกใจเอาไว้ไปยึดจีวรเรียบร้อยละพวกนี้จะห่มไปบิณฑบาตปรากฏ ว, ว่าคืนนั้นท่านมรณภาพได้โรคหัวใจวายเฉียบพลันรุ่งขึ้นคณะส่งรู้ข่าวมีผู้ไปกราบทูนพระพุทธองค์พระพุทธองค์มีรับสั่งว่าทิกสู่ทั้งหลายทาชาปนกิจโซเ ร, ระของเธอได้แต่ อย่ายุ่งจีวรของเธอจีวรชุดนั้นถูกเก็บไว้เจ็ดวันห้ามแต่ต้องพราะผ่านไปเจ็วันปับ๊บคณะสงฆ์กราบชวนถามพระพุทธว่าทำไมพระองค์จึงไม่ให้คณะสงฆ์แบ่งจีวรพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าทิกสูทั้งหลายพวกเธอรู้ไหมที่เราจะถาคตไม่ยอมให้ใครแต่ต้องจีวรชุดนั้นก็เพราะว่า เมื่อพิจุรูปนั้นมรณะภาพแล้วเธอไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวรนเลนไรพวกเรารู้จักไหมสัตตัวเล็กเล็ชนิดหนึ่งมองไม่ตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศส่องนะใช้กล้องจุลทรรศส่องก็ยมจะเห็นถ้าไม่รู้เป็นตัวยังไงกลับไปวันนี้ไปซื้อกล้องจุลทรรศนะบนเตียงนอนโยมมีเป็นล้านตัวนะรู้ไหม ทุกคืนน่ะนอนกับตัวเลนตัวใดนะั้บนเตียงนอนเรานะ่ะมีเป็นล้านเป็นสองล้านสามล้านบางเตียงนอนเป็นสิบล้านยี่สิบล้านตัวเอาไปส่องดูใครที่เป็นโสดแล้วบอกว่านอนคนเดียวมาทั้งชีวิตน่ยไม่จริงหรอกเพื่อนนอนเต็มไปหมดนั่นแหละท่านผู้ชมกล่าวว่าที่สู่ทั้งหลายที่สุรูปนั้นเมื่อมรณภาพแล้วเธอไปเกิดเป็นตัวเลนอยู่ในจีวอน แล้วเยี่ยววิ่งวุ่นร้องว่าจีวรของฉันจีวรของฉันจีวรของฉันตลอดเจ็วันดังนั้นถ้าพวกเธอไปแบ่งจีวรก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเหรนตัวนั้นแต่พอครบเจ็ดวันปั๊ชีวิตของเรนนั้นมีวัตถจักรชีวิตที่สร้นงมากใช่ไหมแตกดับไปตามธรรมชาติจีวรนั้นไม่มีผู้ช่วยครองพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจานนี้เป็นต้นไปเอาจีวรนั้นมาแบ่งกันห่มได้ เห็นเรมยังความยึดติดถือมัน่นมันทํางานเร็วไหมชัวม่วคืนเร็วนะโยมนะพี่สาวเอาชีวรมาถวายท่าห น, น้องชายเอามือลูบคำและผูกใจไว้ว่าวันพรุ่งนี้เธอฉันจะห่มความยึดติดถึงมั่นก่อตัวไม่ถึงชัวง่วโมงรูปคำเสร็จแล้วท่านก็จําวัดถึงกระนั้นยังไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่ชีวร จะปลุกกระป๋ยถึงเราทั้งหลายเครื่องยุดติดของบางอย่างมาทั้งชีวิตเนมีรถบุโรทั้งถนนใช้มาสามสปีตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนคิดดูให้ดีนะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนมีเจ้ากันสามร้อยปีอยู่อันหนึ่งรู้ทุกวันรู้ทูกรู้วันหนึ่งแจกดับปัก จะไปเกิดที่ไหนคิดดูให้ดีนะเนี่ยความทึติดถือมันมันมีพลังข้ามพบข้ามชาถึงขนาดนี้ท่านพุทธทาจึงเพียรย้ำนักย้ำหน่าว่าสัพเพธรมานารงทีเวสสัพยะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมันสอนอย่างนี้แหละแต่แล้วคนจำนวนมากก็ยังคงยึดติดถือมันอยู่ ครั้งหนึ่งเคยมีคุณโยมผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโยมอุปธรรมอุปถาศ่วนโมกภพารามของท่านพุทธทาสตอนทำสร้างเสนาสนะสงเนยนโยมได้ถวายไว้หลายลาย้านถวายเสร็จแล้วก็ยึดติดถือมานว่าฉันนี่แหละโยมอุปถาถคนสาคัญฉันเนี่ยถวายกั้อาจารย์นี้ยึดวันหนึ่ง เดินทางจากกรุงเทพพาเพื่อนพาฝูงคุณหญิงคุณนายห้าหกคนไปกราบท่านพุทธทาสทางสะดวกทุกประการมีคนนำเข้าไปหาท่านกราบท่านพุทธทาสกราบเสร็จแล้วว่าหลวงพ่อเจ้าคะจำยมได้ไหมเจ้าค่ะแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีพลังต่อส่วนโลกขนาดไหนใช่ไหม บริจาคไ้เยอะเนี่ยถ้าต้องเกรงใจใช่ไหยโชพาวแลวนะหลวงพ่อจำโยมได้ไหมเจ้าคะ่สะสกิบด้วนให้ดูแกคอยดูนะฉันกับท่านพุทธทาสขนาดไหนจำโยมได้ไหมเจ้าคะท่านพุทธทาสบอกจำไม่ได้โยนอัตตาแต่ทคกเห็นได้ยนะ ท่านสอนยึดติดถือมัน่นคุณยมคนนี้ทําความดีเสร็จแล้วติดอะไรยังติดดียวแล้วไปยึดติดถือมั่นในความดีคนเราไม่ค่อสังเกตนะเรามักจะคิดว่าก็เขาเป็นคนดีไงใช่ไหมคนดีจํานวนมากไม่ทุกเพราะทาความชั่วแต่ทุกเพราะมัวยึดว่าตนเป็นคนดีเหนือคนอื่น ไปที่ไหนเห็นคนอื่นไม่ดีเท่าตนตําหนินินทาวิจารณตัวเองกินเจส่วนคนอื่นกินตั้งแต่เอถึงแซ่ <c oughs> อัตมามีประสบการณ์จริงนะก่อนส <c oughs> ิบปีเนี่ยอโยมดามอหารเจไปถวายยกกันไปเป็นคณะเลยทีเดียว <c oughs> ท่านงอฉันเจไหมเจ้าคะอัตมาบอกโยมอัตมาฉันตั้งแต่เถึงแซ่เลย บางคนฉันเจมันก็ดีอยู่แล้วนะงดการไม่เดียดเรียนมันดีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็การเอาดีที่ตัวไปปฏิบัติไปเยียดยามคนอื่นอันนี้ไม่ดีนี่แหละทุกของคนดีคือทำดีแล้วไปติดดีคนจานวนมากเป็นอย่างนั้นคุณโยมคนที่ว่าก็เหมือนกันนะ ไปหาท่านพุทธทาสแล้วก็ตั้งใจจะแสดงอัตตาให้คนเห็นว่าฉันนี่เป็นคนสำคัญของส่วนโอกลื่นไปว่าที่ส่วนโอกสอนเรื่องอะไรความไม่ยึดติดถือมั่นเห็นไหมยังมีหลายคนเลยทีเดียวที่ไปหาท่านท่านพุทธทาสแล้วก็ถูกท่านให้บทเรียนเรื่องความไม่ยึดติดถือมั่นลูกศิษย์พยายามจะเอาท่านอาจารย์มาเป็นอาจารย์ของตนใช่ไห ท่านพุทธทาสของฉันแต่น่านพุทธทาสเคยคิดว่าลูกศิษย์ของฉันไหมไม่เคยลูกศิษย์ทั้งหลายนี่พยายามที่จะเอาอาจารย์มาเป็นอาจารย์ของตนส่วนอาจารย์ท่านไปเหนือกว่านั้นท่านไม่เคยคิดว่าลูกศิษย์แต่ละคนเป็นลูกศิษย์ของฉันฉะนั้นในประวัติของท่านพุทธทาสท่านจิงไม่เคยไปทะเลาะ ก, กับใครเพื่อแ ย, ย่งลูกศิษย์ไม่เคยหวงลูกศิษย์ ไม่ว่าจะสําคัญมากสําคัญน้อยท่านให้ราคาเท่ากันทั้งหมดเพราะท่านไม่จะติดถือมันมีนักเขียนคนหนึ่งศรัทธาตั้งผู้จัดทาตั้งแต่เป็นปนักเรียนมัธยมปันจักระยานไปเจจังหวัดนครสวรรค์นนะศรัทธามากซื้อจักรยานมาคำหนนะึ่งนะพอเรียบจบซัสัญญาต่อจักรยานเลยค่าแดดจักรยานที่กรุ ด้วยจักรยานนี้ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเราจะหลอมรวมเิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันและข้าจะขอใช้จักรยานนี้เป็นยานพาหนะทางจิตยินยานปั่นเจ้าไปสู่ส่วนโมคคาปาลาอันอันเป็นที่อยู่ของปรมาจ า, ารย์คนสำคัญของพุทธศาสนาเสร็จแล้วกราบจักรยาน ขึ้นควบขี่จากนครสวรรค์ทะลุสู่หน้าานี้ก้นบ้านชาบมเลยนะจะเลิกกัรคันก็หลายครั้งแต่เพราะให้สัญญาจับจักรยานไม่เลิกากแบบาแดดกาผลไปหนึ่งอาทิตย์ไปถึงส่วนโมกบักโกรมากพอไปถึงก็ไม่ถึงหวังเจอท่านพุทธทาสเดินเล่นอยู่พอดีใรก็ไปหาเลย นะพอไปถึงตับท่านก็หยุดท่านพุท ธ, ธทัส ก, ก่อนเขามาด้วยศรัทธาในเตรียมล้นขนหัวใจของเขานะ่านงานท่านมานานมากตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมจจบอุดมศึกษาศรัทธาสุดจิตสุดใจคนคนนี้ฉนยกชีวิตให้ได้เลยท่านพุท ธ, ธาทาสเกิดรูปปฏิมาแห่งความเคารพในดงจิตของเขาเป็นดังหนึ่งหีมาลัยทางจิตวิญญาณ เขารมสุดๆวิ่งใหญสุดๆพอท่านเดียนอยู่เขาก็แปลเข้ามาเลยท่านพุทธท า, าถามมาทำไมมากราบหลวงพ่อครับก็กราบแค่นอกราบเสร็จปับ๊บฉันเดินหนีเลย ภูเขาห้มาลัยแห่งความเคารพพังกระจายลื่นลงมาเโกโรธท่านพุทธทานมาโกโกรธสุดจิตสุดใจนะนี่หรือถ้าที่ฉันเคารพทำไมพูดไม่เพราะเลยประมาณว่าคนคนเรี้เป็นแฟนคลับท่านแต่พอมาถึงสถานที่และมาเจอตัวจริงๆ เขารู้สึกว่าภาพใงอดมคติที่เขายึดเอาไว้กับตัวจริงต่างกันไหมต่างกันลิดลับมาทำไมมากราบหลวงพ่อครับก็กราบสุปเ์เขาก้มลงกราบสามครั้งเงยหน้าขึ้นมาท่านไม่อยู่แล้วเกิด อ, อะไรขึ้นหลังจากนั้นศิลปินคนนี้คลายความเคารพในตัวท่านลงไป ครึ่งต่อครึ้งปั่นจั ก, กรยานกลับบ้านในสภาพโบลเกอฮาร์ดจอมยินหมดแล้วชีวิตฉันลูกอ่านจั ก, กรยานป้อยป้อยเรากลับกันเถอะมาทางไหนเราก็ไปทางนั้นครูเราไม่เหมือนเดิที่เราคิดกลับขึ้นไป จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ข่าวท่านพุทธทาสถึงแก่มรณาภาพนังศิลปินทุกฉบับโทรทัศน์ทุกช่องรายงานข่าวท่านเป็นข่าวใหญ่โตศิลปินคนนี้ลุกขึ้นมาศึกษาผลงานท่านพุทธทาสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อายุเขาเลยเลขสามแล้วยิ่งศึกษายิ่งนึกซึงยิ่งอ่านยิ่งจำกระจ่างอยู่กลางหัวจิตหัวใจ แล้วเขาก็อ่านไปค้นไปอ่านไปค้นไปจนกระทั่งไปถึงคำสอนของท่านในเรื่องสเพธ ม, มานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งพวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมันศิลปินคนนี้ร้องไห้จนน้ำตานั้นหยดลงไปเปื้อนหนังสือหน้าที่กำลังอ่านอยู่พอดีเขาโกรธตัวเองอยู่ครึ่งวันเรานั่งร้องไห้ เขารองไห้ว่าท่านพุทธทาสได้มอบเพชรบนยอดมงกุฎให้เขาตั้งแต่นาทีแรกที่พบกันแต่เขากลับอ่านรหัสนั้นไม่ออกแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่เพียงแต่อ่านรหัสนั้นไม่ออกผมยังโกรธท่านเป็นสิบปีโกรธใครไม่โกรธไปโกรธท่านพุทธทาส ดูสิเหมือนคนโง่เอาอุจาระไปป่าพระจันทร์มันจะเพื่อนพระจันทร์ไหมแล้วมันเพื่อนใครอะเพื่อนหน้าตัวเองเห็นได้ยังครูบาอาจารย์สอนเรื่องการไม่ยึดติดถือมั่นมาตั้งแต่นาทีแรกที่พบกันแต่เขาถอดรหัสไม่เป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ต่างอะไรกับศิลปินคนนี้ อยู่กับศาสนาซึ่งสอนให้ไม่ยึดติดถือมัน่นแต่ถึงกระนั้นเรายึดติดถือมั่นหรือไม่เรายึดยึดแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างอตาตมาภาพมีลูกศิษคนหนึ่งตัวเล็กๆอายุก็่สิบหกเองนะมั้งเขียนโปดกราร์ถึงอาตมาอาตมาอ่นานข้อความนี้แล้วอตาตมาก็รู้สึกว่าโอ้โ เ ล, ล็กๆที่หนูเพราะข้อความที่น้องคนนี้เขียนถึงอาตมามีอยู่ว่าหากเธอสถาในผู้ใดก็จงสงรย์ในคุณความดีของเขาคามคายไหมเด็กอายุสิหกคิดได้แค่นี้นะเราทั้งหลายนั่งอยู่ในห้องนี้อายุรวมกันเกินหมื่นนะคิดได้ไหม หากเธอศรัทธาในผู้ใดจงซึมซับในคุณธรรมของเขาไม่ใช่หากเธอศรัทธาในผู้ใดจงกอดผู้นั้นไว้ให้แน่นที่สุดแล้วก็บอกว่าครูของฉันอา จ, จารย์ของฉันวัดของฉันคนไทยมีลักษณะเช่นนั้นนับถือครูบาอาจารย์แล้วก็ยึดติดถือมัน่นจนกระทั่งว่า ทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เอาครูบาอาจารย์มาเป็นของเราครูบาอาจารย์จํานวนมากไม่รู้ทันกิเลส ข, ของญาติโยมนนปล่อยให้ญาติโยมสัมปทานตัวเองและดังนั้นท่านจึงไม่มีสารภาพในชีวิตชีวิตของท่านถูกญาติโยมสัมปทานไปเรียบร้อยแล้วอำนาจของโยมมาจากไหน อำนาจของยยมขึ้นอยู่กับทรัพย์สิสนที่ถวายครูบาอาจารย์ถวายมากก็ดึงครูบาอาจารย์ไปได้มากนิมนต์ได้ง่ายมีครูบาอาจารย์น้อยรูปมากที่จะวางตนเหมือนแท่งทองชมพูนรชเช่นพระพุทธาิานโยมถวายเป็นล้านนะพอยมกลับไปถามหลวงพ่อจำโยมได้ไหยเจ้าคะจำไม่ได้โยม นี่แท่งทองชมพูนุษย์บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการยึดติดถือมัน่นโดยตัวเองไม่ไปยึดมั่นใครและก็ไม่อยอมให้ใครมายึดมั่นตัวเองก็ทําได้ไหมครูบาอาจารย์ไม่น้อยถูกยอดยมยึดติดถือมัน่นแล้วก็ยึดติดถือมั่นยอดยมด้วยขณะเจอโยมกลางท่ากลางทางโยมถามหลวงพ่อจํำยมได้ไหมทําไมเดจําไม่ได้โยมชื่ออะไร รวเสียโยมเลยยังไงก็ต้องจำได้ไว้ก่อนชื่อไปรู้งที่หลังเห็นไหมดัง น, นั้นเรื่องยึดติดถือมั่นเนี่มันเป็นหลักธรรมระดับแก่นพุทธศาสตร์แต่เรามองข้ามไปเราไม่ค่อยนำมาประพฤติปฏิบัติท่านพุทธทาสจึงเพียรเหลือเกินที่จะสอนให้เราคลายความยึดติดถือมั่นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือครองท่านบอกว่าแม้แต่ความดีก็อย่ายึดติดถือมัน่น และอย่ายึะติดถือมั่นแม้กระทั่งอย่าอยากให้ใครรู้ว่าเราได้ทำความดีเพราะวันหนึ่งเมื่อเราไปยึดติดถือมั่นความดีที่เราทำแล้วคำถามคือบางครั้งเรากำลังทำความดีหรือความดีมันกำลังทำเราเคยคิดไหมอาตมามีประสบการณ์ตรงครั้งหนึ่งมีคณะกระถินมาถวายกระถิน หลวงพ่อเจ้าวาดก็เตรียมท้าไว้เป็นพระสิงหนึ่งเชิงแสนเก้าอง์แต่บุคคลระดับว i ไอหรือแขกแก้วมาเกินเก้าคนบุคคลสำคัญเนี่ยพอถาวายเสร็จหลวงพ่อก็ให้พระสิงหนึ่งเชิงแสนขามชื่อออกไปเก้าคนมีคุณนายคนหนึ่งมาเป็นคนที่สิบไม่ได้พระสิงหนึ่งเชิงแสน จริงๆมาทำบุญก็ต้องได้บุญใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนั้นเธอได้บุญหรือเปล่านั้นพอไม่ได้พระสิงหนึ่งเชิงแสนเดือนนั้นเป็นนั่งต่อหน้าหลวงพ่อเลยอันตอนนั้นแตมาเป็นเลขาหลวงพ่อเป็นสามเหลวงพ่อเจ้าคะนี่นำบัตรโยมนะเจ้าคะพระสิงหยส่งไปตามนี้นะคะ <c oughs> อาทิตย์หนึ่ง <c oughs> ได้ได้ไหมเจ้าคะ ถ้าไม่ได้ยังไงยมจะให้เลขาโทรมาตามหลวงพ่อรู้จักโยอมใช่ไหมคะโอ้โหตัมมานั่งอยู่ข้า ง, างนะอัตมานี่สะเทือนใจมากเลยอ่ะนี่มันคือการกันโชคทางอิ ญ, ญารีย์นะเนี่ยทำความดีหรือถูกความดีกระทังคือไปทำความดีแล้วก็หลงยึดขึ้นมาว่าหลวงพ่อกระถิ่นโกงนี้นะ โยมเป็นคนพามาทอดนะทอดแล้วเนี่ยไม่ได้พระสินหนระือคิดดูนะหลวงพ่อกลับไปจะได้บุญหรือได้บาเนี่ทำความดีหรือถูกความดีกระทำคือทำความดีแล้วเกิดอาหางการยิ่งปรผยองพองขนยกหูชูหางขึ้นมาว่าตัวเป็นเจ้าของความดีแล้วก็วเอาความดีนี้ไปกันโชคคนอื่น มีกี่คนที่ทําความดีแล้วจมหายไปในกระแสทานแห่งกาลเวลาไม่อยากให้ใครรู้จักว่าตนได้ทําความดีทําความดีเพราะความดีนั้นเป็นเครื่องมือในการอดปล่อยความยึดติดถือมัน่นในตัวตนคือแม้กระทั่งในคุณงามความดีที่ตัวได้ทําคนจํานวนมากเมื่อได้ทําความดีแล้วอดไม่ได้หรอกที่จะยึดเอาไว้ใช่ไหม ที่จะแปะป้ายเอาไว้เมื่อเกือบสิบปีก่อนอาตมาภาพมีเหตุให้ได้ไปทาบุญที่ต่างประเทศกัดโยมคณะหนึ่งเขาไปถวายพระพุทธรูปประมาณยี่สิบองค์ยาติโยมจระุมนี้ก็ระ บ, บุชื่อของเองติดฐานพระพุทธรูปทุกองค์โยกันไปถวายพอทาพิธีถวายเสร็จแล้ว ก็มีญาติโยมคณะหนึ่งเข้ามายังวัดที่เราทําพิธีถวายพระพุทธรูปนั้นเหมือนกันญาติโยมคณะนั้นพอพบอาตมาก็วิ่งตูกันเข้ามาหาอาตมามากราอาตมาเสร็จพับถามท่านอาจารย์มาทำอะไรเจ้าคะอ๋ออาตมามาถวายพระพุทธรูปกับญาติโยมเนี่ยแล้วพระอยู่ไหนอ่ะเจ้าคะโอ้อยู่นู้นเดีวโยมอยู่ใต้ต้นโพธเดี๋ยวโยมไปกราบสิโยมก็แห่กันไปเป็นพรวน พระอาจารย์ก็เดินตามไปพอไปถึงปับ๊บนั่งลงเรียงแถวเป็นตับโยมสี่ห้าคนกราบลงไปโยมคนที่มาทักอาตมานั่งลงแต่ไม่กราบอาตมาสังเกตดูนะเห็นว่าโยมคนนี้ไม่กราบนั่งสักพักพอเพืเ่อนลุกเธอก็ลุกนิสัยนักเขียนซึ่งช่างสังเกตอดไม่ได้ก็เลยถามโยม เมื่อกี้แต่มาเห็นคนอื่นกราบหมดแล้วทำไมโยมไม่กราบโยมสังเกตเห็นว่าเจ้าภาพที่มีชื่อติดอยู่ที่ฐานพระอาจาค่ะเป็นชื่อของคนคนหนึ่งซึ่งโยมไม่ชอบหน้ามันดังนั้นจะให้โยมกราบพระของมันไม่ได้ดูสิ เนี่ยทำคัมภีร์หรือดูคัมภีร์ทำอย่างนี้ไม่สามารถก้าวข้ามความยึดติดถือมั่นในชื่อของศัตรูขั้วค่าของตัวเองและดังนั้นพระพุทธองค์อยู่ตรงหน้าเธอได้กราบท่านไหมเธอไม่ได้กราบพวกเราเนองนั้นภาพของความยึดติดถือมัน่นด้วยอย่างต่อให้พระพุทธองค์เสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้า คนที่ยึดติดถือมัน่นก็ยังไม่อาจากราบพระองค์ท่านได้นี่แหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวลาจะมาขาพถวายพระพุทธรูปนะอาตมาบอกญาติโยมลูกศิษย์อาตมาว่าโยมอย่าติดใจรึเชื่ออาตมานะกลัวว่าวันหนึ่งมีคนไม่ชอบหน้าอาตมามามาเจอเชื่อนะแล้วจะไม่ได้ไหว้พระพุทธองค์นี่แหละ ดังนั้นเจ้าความจึดติดถือมื่นนี่มันลงลึกในทางจิตวิญญาณของเรามากแล้วมันเนบเนียนนะมันเนยยบคลายด้วยกิเลสชัตเตเน่เลประนีดด้วยบางทีเรารู้ไม่เท่าไม่ทันกำลังทำความดีอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราไปเผอยึดเอาความดีมาเป็นของเราหรือเราไปเป็นส่วนหนึ่งของความดีเคยสารวจตรวจสอบตัวเองไหม ทุกความยึดติดถือมั่นนี้มันแสดงอาการครอบนำไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถือครองเช่นยศทรัพย์อำนาจชื่อเสียงวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือครองตัวความยึดติดถือมั่นนี้จะแผ่ครอบนำไปทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าของเหล่านั้นเป็นของของฉัน แต่ถ้าเราไปถามของเหล่านั้นของเหล่านั้นอาจจะตอบเราว่าคนพวกนี้เป็นของของฉันจริงไหมมีไอ o ฟน4อยู่เครื่องหนึ่งครเบียบรคุณไม่มีใครโทรมาหรอกแต่ก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็ภูมิใจว่าฉันมี High t เทคโนโลยีอยู่ในมือ ก่อนจะนอนเอาวางที่หมอนกราบสามครั้งแล้วก็เสียบปลัก๊กตอนนี้โลกนี้มีศาสนาใหม่เกิดขึ้นหนะึ่งคือศาสนาแอปเปิ้ลหรือแอปเปลก็คือสินค้าไฮเทอโนโลยียี่ห้อแอปเปล ที่ผลยตโดยบริษัทในเครือของ Steve Jobs เวลาที่ Steve Jobs จะวางนวตัต ก, กรรมใหม่ๆทั่วโลกนะวางขายสิบโมงนะเที่ยงคืนมีคนไปนอนรอแล้วใช่ไหมเมือง น, นอกก็เป็นเมืองไทยก็เป็นไม่ว่าจะเป็น iPad i p h o ฟ e ก็าตามนะถ้า Steve Jobs ประกาศจะวางขายพรับคนรอทัว่วโลกแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่มีแค่ ร้อยสองร้อยล้านนะที่เมืองจีนมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึงเจ็ดร้อยล้านคนเมืองจีนนะคนไทยมีคนหกสิบล้านคนถ้าเราทะเลาะกับคนจีนนะคนจีนเอาโทรศัพท์มือถือปลาข้ามประเทศมาถูกคนไทยเนจะ็ดร้อยล้านเครื่องนะคนไทยตายเรียบเลยเนะนี่ย นั่งอยู่ในห้องเนี้หนึ่งคนหนึ่งโทรศัพท์มือถือใช่ไหมมันเป็นของเราหรือเราเป็นของมันเมื่อกี้แต่มาภาพเข้าห้องนะ้ําเห็นใครไม่รู้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้เครื่องหนึ่งป่านนี้ไม่รู้ว่าหาเจออยังถ้าหาเจอก็สแสดงว่ามันเป็นของเราแต่ถ้าหาไม่เจอคืนนี้เกิดอะไรขึ้นเราเป็นของมัน จะหลับลงไหมหลับไม่ลงหรกท้าให้เลยฉะนั้นในทัศนะของชาวโลกครอบครองสิ่งใดก็มักจะบอกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแต่ในทัศนะของชาวธรรมท่านจะบอกว่าเราครอบครองสิ่งใดแท้ที่จริงเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นเช่นยศหรือตำแหน่งมนุษย์ทุกคนที่มีตำแหน่งก็มักจะยึดติดถือมั่นนะ ครั้งหนึ่งมีการจัดงานเปิดตัวโครงการโครงการหนึ่งของรัฐบาลผู้ใหญ่ในกระทรวงนั้นมากันทั้งหมดก่อนที่รัฐมนตรีจะมาเลขารัฐมนตรีก็วิ่งวุ่นประสานงาน น, น, นู่นเน้นนั่นพอถึงเวลาที่รัฐมนตรีมาจริงๆเก้าอี้แถวหน้ามีคนนั่งเต็มหมดเลยเลขารัฐมนตรีเป็นหนุ่มเหล่าเสี้ยวจับจังหวะน่นอง อายุยี่สิบต้นๆพอท่านราัฐมนตรีขึ้นไปยืนอยู่บนพรเดียมเขาเดินตามเข้ามาแล้วที่นั่งแถวหน้าเต็มหมดเขาไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนและตัวก็เองเป็นถึงเลขา ธ, าาธิการรัฐมนตรีมันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมทุกคนก็รู้นะแล้วเลขา ธ, าาธิการรัฐมนตรีนี่ประหลาดมากนะความจำไม่ค่อยดีไปไหนมักจะถามคนอื่นมารู้ไม่รูเป็นไหน ประหลาบบ้านเลยตอนเป็นคนธรรมดาด้วยความจําดีนะเพราะเป็นเลข า, า ธ, ธิการตุลาการชอบหลงลืองด้วยไปที่ไหนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยก็ถามคุณรู้ไหมผมเป็นใครเข้าผับก็ถามเจ้าของผับคุณรู้ไหมผมเป็นใครขับรถอยู่บนถนนถ้าตำรวจโบกถามตำรวจรู้ไหมผมเป็นใครตำรวจคงจะหมั่นไส่ก็อาจจะตอบว่าใครจะไปรู้กับมึงแต่คงไม่กล้าตอบเลข า, าธิการตุลมกตรีมองเห็นว่า ตัวเองไม่มีที่นั่งเดินไปหาอกานเซอร์ซึ่งเป็นผู้จัดงานคุณทำไมผมไม่มีที่นั่งอกานเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างงานบอกว่าเออท่านครับที่นั่งท่านเนี่ยจริงๆอะเราจองไว้แล้วครับแต่พอดีมีท่านประหลัดอาวุโสมารับเลื่อนทนตรผมเห็นว่าท่านประหลัดอาวุโสนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็เลยเชิญท่านไปนั่งครับ และผมคิดว่าท่านเป็นเลขาธิานรัฐมนตรีคงไม่มีอะไรมากเพราะคนกันเองใช่ไหมครับท่านคนกันเองก็เลยมองหน้าแสดงความเป็นกันเองผมไม่รู้ละ่ะถ้าผมไม่ได้นั่งภายในสองนาทีก่อนท่านรัฐมนตรีปลาระคถ า, าคุณหางานไม่เลยเลยพูดเสร็จเดินเป็นเสือติดจันอยู่หลังงานหลังห้องประชุมอาการ์ไนเซอร์วิ่งวุ่นไปหมด พยายามเดินมาสำรวจแถวหน้าดูหน้านะฉันจะย้ายใครวะมีประหลัดอาวุโสมีคุณหญิงมีคุณนายนั่นท่านผู้บัญชาการตกลงย้ายไม่ได้สักคนกลับไปบอกท่านเลขาท่าน ร, รัฐมนตรีอายุแค่ยี่ส่บกท่านเลขา ค, ครับผมว่าเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวท่านยืนคู่กับผมนะครับผมจะไปเชิญพิธีกรสาวมายืนคู่กับท่าน ออกมาดูดีมากนะครับเลขาริกามนตรีโกรธถึงขีดสุดไม่มีที่นั่งให้ผมใช่นหมอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับที่นั่งเราเนี่ยมีแต่คนอื่นไปนั่งครับ <S <S <S <S จริงไหมมันไม่ใช่ไม่มีที่นั่งนนะที่นั่งมันม่มีแต่คนอื่นไปนั่งครับโอเค ในเมื่คุณไม่หาไม่สามารถหาที่นั่งให้ผมได้งั้นคุณดูแลท่านรัฐมนตรีด้วยผมกลับก่อนเลขานุมเดินออกจากงานแล้วขึ้นรถกลับเลยอกเรนเซอร์เจ้าของคนจัดงานคนลุกขนลอกไปําๆกันไม่รู้ว่าพวก่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเขาแล้วคนหนึ่งในทีมผู้จัดงานก็มาเล่าให้ธรรมาังว่าเนี่ยพระอาจารย์ครับ ผมเห็นท่านเลขาริกามนตรีแล้วนะผมสังเวชมากเลยผมรู้ความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าวันนั้นเขาไม่ได้เอาก้นนั่งแต่เขาต้องการจะเอาน้านั่งครับพระอาจารย์ริง่งไหมถ้าจะเอาก้นนั่งตรงอี้เดียวมันมันหาที่นั่งได้ไหมแถวไหนก็ได้แต่เพราะจะเอาน้านั่งเลต้องแถวหนึ่งเท่านั้นถ้าอะไร ทอนนั่งแล้วเป็นหน้าเป็นตาเดี๋ยวที่มีแผนกล้องหาก็เชิดหน้าพอกล้องไปฝั่งน้อนก็อ่วงแต่ไม่ใช่ที่นีเห็นได้ยังคนคนนี้ยึดติดอะไรยศหรือตำแหน่งตำแหน่งนิดเดียวอะ่ะแล้วเป็นกันไม่นานหรอก แค่นี้เขาก็ยังยึดติดถือมั่นขนาดนี้เก้าอี้มีเป็นพันตัวแต่พอไม่ได้นั่งแถวหน้าเขาถึงกับนั่งไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคืออยากนั่งเก้าอี้หรืออยากให้เก้าอี้นั่งเขาเขาไม่ได้อยากนั่งเก้าอี้แต่เขาอยากให้เก้าอี้แถวหน้านั่งอยู่ในใจเขาใช่ไหมนี่แหละ เราท่านทั้งหลายเคยที่นี่พิาจารณาตัวเองไหมตำแหน่งเล็กๆแค่เนี้ยเราก็ยึดติดถือมั่นแล้วปล่อยไม่ลงลงกันไม่เป็นนี่ฉะนั้นเราเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งหรือตำแหน่งมันครอบของเราเคยคิดไหมนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ยึดติดเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้มีตำแหน่งนั้นนะั้นนะเล็กบ้างใหญ่บ้าง บางคนตำแหน่งนิดเดียวแต่ใส่อดีตตำแหน่งบนลำบัดเทียบเลยนะนั่นก็รูปแบบหนึ่งของความยึดติดนอกจากยึแล้วก็มีทรัพย์คนจะมวน้องยึดติดทรัพย์ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่ออะไรคพอ่อครองทรัพย์มีทรัพย์สินเงินทองเป็นแสนล้านแล้วใช้ไหมไม่ค่อยใช้แล้วให้คนอื่นใช้ไหม ก็ไม่เห็นใช่วันหนึ่งลูงรับดับสันไปตายตาไม่หลับท่าวิพัณนาจารุตหนึ่งเล่าให้ธรรมาฟัางว่าเคยไปปิดตาคนตายแล้วปกติเวลาท่านไปปิดตาใครเนี่ยหลับทุกทีแต่ไปปิดตาคนคนนี้แล้วพอมือลูบไปเพรามันลืมสวนมันลุกเลยท่านก็ตกใจตกใจว่าทำไมเขาตายตาไม่หลับ สืบไปสอบมาจึงได้รู้ว่ามีทรัพย์สินบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้ลงไว้ในพิในกรรมยมเห็นหรือ ย, ยังทรัพย์เป็นของเราหรือเราเป็นของทรัพย์ไปคิดกันเองนะเรามีทรัพย์กันไหมในห้องนี้ทรัพย์ ส, บสมบัติมีไหมมีทองไหมที่ขอในมีทองไม่ไมมคิดจะลงสะละดอบ้างหลือ ทรัพย์ที่เรามีสิ่งที่เรามีเงินที่เรามีเนี่ยทางพุทธศาสนาบอกว่าทรัพย์คือปัจจัยไม่ใช่เป้าหมายของการดำรงชีวิตแต่คนจํานวนมากมักจะคิดว่าเงินเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและดังนั้นจึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินแต่เมื่อได้เงินมาแล้วไม่ใช้ด้วยตัวเองและไม่ให้คนอื่นใช้สุดท้ายก็ตายไปพร้อมกับความยึดติดถือมั่นใน ทรัพย์สินที่ตัวเองมีเรียกว่าเสียแรงเปล่าที่หาเงินมาแต่ตว่าไม่เคยได้รับประโยชน์จากเงินนั้นทางพุทธเราจรึงบอกว่าก่อนตายนะั้นต้องรู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญแล้วเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเพราะอะไรถ้าเอาเงิงจริ ง, งที่คุณหาคุณเอาไปไม่ได้หรอกคุณต้องวางเคยไปงานศพไหมเวลารถน้ำศพเห็นไหมมือกำหรือมือแบ แม่ถ้าไปงานศพไหนที่มีการลดนั้นศพแล้วเจอมือกรรำโทรศัพท์มหาอตมาเลยนะท่า <c oughs> นหมอเจ้าคะยมเจอแล้วกันศพยังก ร, รมมืออยู่เลยคัะ <c oughs> <c oughs> ในชีวิตจริงของเราเราก็เห็นตัวอย่างอยู่แล้วว่าเอาอะไรไปไม่ได้แต่ถึงะนั้นเราก็ยังยึดกิจทรัพย์สินถ้าเรายึดกิดถือมันน่นจนกระทั่งมาปล่อยไม่ลงปรงไม่เปลี่ยนตัวเองก็ไม่ใช้คอื่นก็ไม่ได้ใช้ ถามหน่อยทรัพย์เป็นของเราหรือเราเป็นของทรัพย์ไปคิดได้ดีนะนอกจากนั้นสิ่งที่เราทุกติดคืออำนาจทุกคนมีอำนาจใช่ไหมใครๆต่างก็อยากจะได้อำนาจใครๆเมื่อได้อำนาจแล้วก็อยากเสกติดอำนาจนั้นให้ยาวนานที่สุดอำนาจ น, นั้นเป็นสิ่งหอมหวานที่สุดยิ่งกว่าปวงบุปผาลดาพัณฑ์ทุกชนิด ดอกไม้ที่กันหอมที่สุดในโลกยังไม่หอมหมืนชนลมเท่ากับอำนาจและดังนั้นใครก็ตามที่เคยมีอำนาจก็มักจะอยากกลับไปสู่บัลลังก์แห่งอำนาจอีกแต่เคยรู้ไหมคนที่มีอำนาที่สุดบางครั้งคือคนที่เจ็บปวดที่สุดยศสับย์อำนาจนอกจากนั้นก็มีตัวหนึ่งที่มนุษย์ชอบเย็ดว่าเป็นของเรานักหนา คือชื่อเสียงคนจำนวนมากอยากจะเป็นคนสำคัญกันทั้งนั้นใช่ไหมในโลกนี้นะคนที่ไม่อยากเป็นคนสำคัญนะมีน้อยมากคนจำนวนมากอยากเป็นคนสำคัญถ้าใครมายกว่าเราเป็นคนสำคัญเราจะหน้าชื่นนะแม้กระทั้งตัวอยู่นะถ้าใครมายกมายงนะเราจะชื่น อ, อกชื่นใจเพราะเรารู้สึกว่าเรามีตัวมีตนไงคนโดยมากยึดติดถือมั่นในชื่อเสียง แล้วก็คิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงแล้วทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ชื่อเสียงใช่ไหมเมื่อมีชื่อเสียงแล้วไปไหนถ้าใครไม่ยกย่องชื่อเสียงของตัวเองทุกที่สุขอุบแทบลมประดาตายบางคนหนักหนาสาหัสถึงขั้นไม่ยอมนั่งในห้องประชุมเพราะอะไรที่ประชุมไม่ทักชื่อเสียงของเขาเห็นไหมยางชื่อเสียงเป็นของเราหรือเราเป็นของชื่อเสียง เราทั้งหลายต้องกลับไปคิดนี่แหละคือมายาการที่มนุษย์ทั้งหลายได้สร้างขึ้นมาแล้วพากันไปยึดติดถือมั่นถ้าเราไม่ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูนี่นะความทุกข์จะน้อยมากนะแต่ถ้าใครก็การยึดติดถือมั่นนะความทุกข์ของเราขยายตัวตามเงาของความยึดติดยึดติดมากทุกมากยึดติดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุก ถ้าเรายึดติดติอมันในตัวฉันของฉัน ม, นมากๆเข้าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ความลาบากความทุกข์จะหนี้ถ้าเรารู้ทันนะจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรมันไม่ใช่ทุกเพราะว่าเราไม่มีไม่ใช่ทุกเพราะว่าเราเนี่ยต่ําต้อยไม่ใช่ทุกเพราะว่าเราเนี่ยไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ทุกเพราะว่าเราไม่มีอยู่ไม่มีกินเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนควรจะมีแล้วล่ะแต่ที่ยังทุกเพราะอะไรเพราะว่าเธอไม่เป็นที่ปรากฏในประชุมชนความทุกข์ชนิดนี้เขาเรียกว่าทุกข์ของเทวดาเป็นทุกข์ประเนี๊มากคนยากคนจนเขาไม่ทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้หรอกเพราะอะไรเขาหาเช้ากินค่ำเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องนี้คือทุกข์เพราะเกรงว่าสังคมจะไม่ยกย่อง ทุกข์เพรเงื่นสังคมจะไม่รู้จักจะมองไม่เห็นหัวฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องทางเศรษฐกิจคือเรื่องหาอยู่หากินแล้วก็อย่ามาทุก์เพราะหลงยึดติดในอันตายเลยพุทธศาสนาเราจึงสอนว่าชีวิตของเรานั้นก็คือองค์รวมของเบญจขันธ์ปลกเวทนาสัญญาสังขานธวิญญาณวางบางหัดวิเคราะห์บ้างนะตัวเราเนี้ย ไม่มีใครอยู่เป็นนิรันดร์หรอกตัวเราคือองค์รวมขององค์รวมที่เรียกว่าสันห้ารูปคือร่างกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดเวีย ญ, ญาณคือการรับรู้ชีวิตนี้แค่นี้แต่มนุษย์มีไปปรุงนี้มันเยอะจริงๆนะเชื่อไหม ปรุงจะเยอะแยะมากมายแล้วก็เยอะติดถือมันในสิ่งซึ่งตัวนั้นปรุงขึ้นมาพอใครไม่เห็นเครื่องปรุงของตัวเองทุกไหมถูกมาพวกนี้ทำตัวเหมือนมาม่าต้มยำไม่ชอบที่จะมีชีวิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ล้วนๆชอบทาให้ชีวิตมีเครื่องปรุงเต็มไปหมดว่างๆหัดถอดเครื่องปรุงชีวิตทิ้งมั้งทำตัวเป็นคนเล็กคนน้อยธรรมดาธรรมดาบ้างสิ พระงพ่องจึงสอนว่าตัวกู่หูกูนั้นไม่จีรังหรอกและไม่เคยมีมีอยู่ก็แต่ในความคิดของเราเท่านั้นมนุษย์สร้างภาพจำลองขึ้นมาแล้วเรียกสิ่งนั้นว่าตัวฉันของฉันแต่ในความเป็นจริงตัวฉันของฉันไม่เคยมีมีอยู่ก็แต่กลุ่มแห่งเบญจขันธ์รูปเวญนาัญาติขันธ์เป็นญาณเมื่อไหร่ก็ตามขันธ์ห้านี้เลิกประชุมฉีินี้ก็จบ แล้นั้นเราอยู่ว่างๆเราหัดแยกรูปแยกนามนะชีวิตนี้เราลองแยกออกมาเป็นรูปเวทนาสุาังขานเรียานได้ห้าอย่า ง, ง, ง, ยา ง, ยางแยกซอยลงไปอีกจากห้าหรือสองอย่างคือรูปกับนามแยกรูปกับนามออกจากกันอีกเหลือศูนความว่างคือแก่นสารของสรรพสิ่ง ฉะนั้นการที่เรามายึดติดถือมั่นในตัวกูของกูก็เท่ากับว่าเราไปยึดติดถือมั่นในความว่างใช่ไหมมนุษย์นั้นไม่ฉลาดเลยชอบเอาความว่างมาสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ปกป้องความทุกข์นั้นสร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ยึดติดความทุกข์นั้น และดังนั้นเราจึงทุกข์กันมากมายเหลือเกินไม่ทุกข์เพราะเงินไม่ทุกข์เพราะบ้านไม่ทุกข์เพราะรถไม่ทุกข์เพราะโลกไม่ทุกข์เพราะเมียไม่ทุกข์เพราะตําแหน่งไม่ทุกข์เพราะหน้าไม่ทุกข์เพราะชื่อเสียงแต่สุดท้ายยังมาทุกข์เพราะยึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันเรายึดติดถือมั่นก็เป็นตัวฉันของฉันแต่ในความเป็นจริง มันเป็นของเราไหมมันไม่เคยเป็นของเรามีแต่เราที่ไปเป็นของมันเพราะอะไรฉับพลันที่เราเย็ดต็ดเราก็ถูกความทุกข์กัดกินทันที<ม>ครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาองค์หนึ่งมาพบพระพุทธเจ้ามากล่าวสโลกสุภาษิตว่าคนมีบุตรก็ มีความสุขเพราะบทคนมีโคก็มีความสุขเพราะโคคนมีทรัพย์ก็มีความสุขเพราะรทรัพย์พอเทวดาล่าวจบปับ๊บพระพุทธองค์ทรงแสดงทัศะนะามุ่สมัยก่อนเขามีเวทีแลกเปลี่ยนนะมีเบียดระหว่างพระพุทธองค์กับเทวดาเทวดาบอกว่าคนมีบุตรก็มีความสุขเพราะบท มีโคก็มีความสุขพระโคมีทรัพย์ก็สุสขพรทรัพย์หรือมีบุตรก็เศร้าโศกพรบุตรมีโคก็เศร้าโศกพระโคมีทรัพย์ก็เศร้าโศกพรทรัพย์ทัศนะของเทวดาซึ่งก็คือทัศนะของปุถุชนทีนี้พระพุทธองค์ตรัสบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าจะเอาบุตรจะเอาทรัพย์จะเอาโคมาจากไหนในเมื่อง ตัวเราของเราก็ยังไม่มีเทวดาได้สั่งรับประนมมือสาธุการอุทธรว่ามันเหนือกว่ากันเยอะ <c oughs> แก่นของพุทธาศาสนาก็คือ <c oughs> สเพธมานาลังอาภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติ่มัน่นเราทั้งหลายเทองกันได้ดังค้องปาก แต่เคยเข้าใจไหมถ้ายัางไม่เข้าใจพระอาจารย์ก็คิดว่าที่พูดมาทั้งบดก็คงจะเป็นแสงสว่างที่ปลายโบงให้โยมเข้าใจเพิ่มขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นวันนี้ท่านพระก็คิดว่าได้ใช้เวลาอาธาิบายในเรื่องของแก่นพุทธศาสตร์ข้อสำคัญข้อหนึ่งมาจนถึงนาทีนี้ก็คิดว่าเป็นเวลาสมควรก็จึงขอสิ้นสุดยุติลงแต่เพียงเท่านี้ ในท้ายที่สุดนี้ข อ, อเชิญคุณพระพรัตนกรมารวมกันเป็นตะบะเดชพลวัปจชัยอําวยไชัยให้เราทั้งหลายมีความสวัสดีมีชัยคิดผู้ําสินัใพร็ตามที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมก็ขอความคิดความปรนาถนานั้นจงทันสําเร็จจงทันสําเร็จและจงทันสําเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเออ